ของใครนะของพระพุทธเจ้าพระธเจ้าได้ไปเขาจะเป็นพรรษาที่เจ็ดมั้งก็ได้เสดสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อไปโปรดพระมารดานั้นที่เป็นความเชื่อก็ไปแสดงธรรมนะที่เรียกว่าพิธธรรมนะตลอดสามเดือนแล้วก็เมื่อออกพรรษานะก็เสด็จลงมาจากเทวโลกนะ ในหลายท้องที่เขาก็เนี่ยมีการตักบาตรเทวโวโนะดวยพระบางจังหวัดเช่นอย่างอุทัยนี่ก็จัดเป็นงานใหญ่ทีเดียวให้พระลงมาจากเขานะแล้วก็ญาติโยมก็รอสายบาตรนะเพื่อย้อนหลัลึกถึงเหตุการณ์สำคัญนะที่พระเจ้าเสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์อีกครั้งหนึ่งนะ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 แต่ว่าน้อยคนนะจะได้ยินหรือกระดิกหูนะฮะคำว่าสังกัสรนะสังกาสสนี่เป็นเป็นสถานที่ที่พระเจ้าได้เสด็จลงจากตาวดึงแล้วก็มาเรียกพระบาทมามาแตะมนุษย์โลกมามาแตะโลกมนุษย์นที่เมืองสังกัสะทุกวนี้เนี่ยอ่าสังกัสะก็ยังมีชาวพุทธอยู่เยอะนะ ชาวพุทธิอินเดียมีกระจ า, จายส่วนหนึ่งก็เป็นพวกที่พึ่งมานับถือพุทธใหม่ก็คือพวกที่เป็นวันนัสูตรหรือจันทานแล้วก็ทนกับความกดขีบ่บีบขั้นนะของศาสนาฮินดูไม่ได้เขาก็เลย มาสมาทานพุทธศาสนาอันนี้โดยการนำของดรเอมเบตกาเมื่อสักห้าสิบหกสิบปีที่แล้วศูนย์กลางอยู่ที่เมืองนารกปนะูพวกเราคงไม่รู้นะว่าชาตพุทธอินเดียนี่มีเป็นล้านนะมีเป็นล้านบางแห่งบางที่อาจจะว่าถึงยี่สิบสามสิบล้านด้วยนะมากกว่าประเทศ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 แต่นี่เป็นพวกที่มามีพื้นเพด้านเป็นพวกจันทานมาก่อนก็คือนับถือศาสนาฮินดูมาก่อนพวกนี้นะก็เป็นพวกหนึ่งแต่พวกที่นับถือเก่าแก่ น, ะนับถือกันมานานก็มีเขาจว่าสังกษานี่ก็เป็นพวกชอบพุทธท่นับถือมานานพวกเราเนี่ยใครที่ไปอินเดียไปสังเวชนีสสถานเนี่ยถ้ามีเวลาก็น่าจะแวะเมืองสังกัสรด้วยนะ เพราะว่าเดี๋ยวนี้เราไปกันหลายแห่งนะไปจนถึงเนปานลุมพินีนะไปเวสาลีไปสาวัตถีไปราชครืไปพุทธคยาบางทีก็ไปถึงสารจินะโน่นต่อไปถึงอรังกบัตแต่ว่าสังกษานี่ถูกมองข้ามไปคนที่นั่นเขาก็น้อยใจนะชาวพุทธที่นั่น เป็นชาวพุทธที่ถูกลืมนะอาตมาเเคยพบกับชาวพุทธสังกัสร์เหมือนกันนะตอนนี้ก็น่ายินดีที่มีาชาวพุทธบางกลุ่มก็เริ่มไปช่วยอุปถมัถมภ์ทํานุบำรุงนะที่นั่นแลเพราะเขาอยากจนเขาขาดไปหมดเลยนะขาดครูบาอาจารย์ขาดตำราก็มีอย่างทิสุนีนะธรรมนันธา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 ทุนสนับสนุนนะจากชาวพุทธในเมืองไทยโดยเฉพาะสมัยที่หลวงพ่อปัญญายัางมีชีวิตยอยู่นี้ท่านก็หาทุนไปสนับสนุนสร้างอาคารเสรนาสนาที่วัดอมรวดีอ่ามากมายนะแต่ว่าคนอังกฤษนี่เขารวยอยู่แล้วนะคนอังกฤษเขารวยอยู่แล้วแต่ว่าคนอินเดียต่างหากที่เรียกว่าถูกปล่อยปลาละเลยมากนะถ้าชาวพุทธเราไป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 จริงๆเนี่ยพุทธศาสนาไทยก็มีสืบต่อสายตรงไปที่ลังกานะีไม่ใช่อิอนเดียของเรานี่สายตรงเราเนี่ยนะล่างเง้าจริงๆเนี่ยคืออินเดียแต่ล่างเงาของเราจริงๆคือลังกาแต่ล่างเง้าของลังกาคืออินเดียนะงั้นถ้าเกิดพวกเรานี่ไปช่วยกันสนับสนุนชาวพุทธที่นั่นนะอย่าไปลังเกียจว่าคนอินเดียแขงนี่เขาอ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 ตอนนี้ชาวพูทธในในอินเดียเนี่ยโดยเฉพาะที่นากรูเนี่ยเขาได้ลับกาอุดหนุนจากชาวพุทธญี่ปุ่นชาวพุทธเกาหลีรวมทั้งชาวพุทธในอังกฤษด้วยนะมีชาวพุทธอังกฤษที่ไปปักหลักเรียกว่าอยู่ที่นั่นเป็นสิบยี่สิบสามสิบปีกว่านั้นก็มีนะอันนี้ก็น่าสนับส น, นุนนี่เป็นด้านของชาวพุทธนะที่ เราไม่ควรมองข้ามจะไปมองแต่ชาวพุทธ ใ, ในยุโรปอเมริกาอย่างเดียวนะหรือชาวพุทธที่ประเทศที่เขาล่ารวยลืมตาอาปาได้แล้วนะ mm hmm. ชาวพุทธในอินเดียนี่น่าสนใจมากอย่งน้อยนะแวะไปเยี่ยมนะสังกัสรานี่ควรจะเป็นจุดหนึ่งนะของการแวะไปสําหรับผู้ที่ไปสังเวชเชสถาน <c oughs> เห็นมีนนจะมีคณะชาวพุทธไปจาลิทุตดงกันจากเมืองไทยนะมีพระ จาจจะมีที่นี่พาจากที่นี่ไปด้วยนะก็ลองแวะนะลองดูว่าจะแวะไปเยี่ยมสังกัสรได้ไหมมันก็อยู่นอกเส้นทางสังเวชนสถ า, านะแต่ว่าก็น่าไปแล้วก็เตรียมรับพร